เรือนสุขท่านชาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะส่สันติก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยอาตมาภาพจะได้นำเสนอธรรมบรรยายซึ่งหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลได้กล่าวค้างไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วในเรื่องอยู่สูงให้นอนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนหงาย ซึ่งเป็นธรรมะสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งสังคมผู้น้อยสังคมผู้ใหญ่และสังคมผู้เสมอกันหลวงพ่อท่านได้อธิบายขยายความตามภาษิตโบราณ น, นั้นและก็สอดแทรกด้วยคติธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่สาธุชนผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมและผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยส่วนรวมเพื่อที่จะสร้างสังคมที่เราอยู่นั้นให้เกิดความผาสุกร่มเย็นที่ร่มรื่นไปด้วยธรรมะด้วยความมีน้ำใจด้วยศีลด้วยธรรมจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสะดับรับฟังธรรมะบรรยายในเรื่องอยู่สูงให้นอนคว่าอยู่ต่ำให้นอนงายต่อจากค่าวที่แล้ว โดยพร้อมเปลี่ยนกันณบัดนี้เพราะฉะนั้นเธอจะเห็นว่าความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครๆก็เป็นได้สักแต่ว่ามีอายุมากหรือสักแต่ว่ามีความรู้ความสามารถในการงานในอาชีพ หรือสักว่าเป็นแต่ผู้ใหญ่ในฐานะใดๆก็ตามนั่นผู้ใหญ่ยังไม่ใช่สมบูรณ์แบบแต่ผู้ใหญ่สมบูรณ์แบบต้องมีความประพฤติปฏิบัติด้วยมโนธรรมอย่างนี้และเมื่อประพฤติปฏิบัติต่อผู้น้อยอย่างนี้แหละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการดูแลเอาใจใส่สารทุกสุขดิบต่อผู้น้อยนี้แหละที่โบราณท่านว่าอยู่สูงให้นอนควา่าคือดูแลผู้น้อยด้วยความถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิธรรมด้วยมโนธรรมด้วยจิตสำนึก ด้วยเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาพรหมวิหารนี่แหละอยู่สูงให้นอนควา่าต้องดูแลผู้น้อยอย่างนี้อ้าวเมื่อผู้ใหญ่ดีอย่างนี้ผู้น้อยทำยังไงอ่ะผู้น้อยก็มีข้อควรประพฤติปฏิบัติด้วยมโนธรรมต่อผู้ใหญ่เช่นกัน ก็ด้วยเมตตากรุณาพรหมวิหารเหมือนกันคือยังไงคือว่าเราก็ต้องมีความปรารถนาจะให้ผู้ใหญ่นี่เป็นสุขปราศจากทุกข์เอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องการอะไรจากผู้น้อยเราลองเอาใจผู้ใหญ่มาใส่ใจเราเราจะรู้ทีเดียว ผู้ใหญ่ต้องการอะไรผู้ใหญ่ที่ดีนะผู้ใหญ่ที่ดีความต้องการพอเหมาะคือว่าถ้าว่าผู้น้อยจะทำอย่างนี้ผู้ใหญ่จะพอใจอย่างยิ่งคือหนึ่งทำกิตที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดไม่ทอดทิ้งไม่วางธุระเสียกลางคันมอบหมายอะไรให้ก็ทำให้ดีที่สุดแปลว่าผู้ใหญ่วางใจได้ให้ทาอะไรลูกน้องในหน่วยย่อยๆลงไปที่ช่วยประกอบกิจการงานให้ดีเพื่อให้กิจการงานสำเร็จ แล้วก็ให้มีสามัคคีทำในหมู่ผู้น้อยอย่าได้แตกแยกอย่าทำความหนักใจให้ผู้ใหญ่เมื่อกิจการงานก็ดีความสามัคคีปลองดองพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็มีอยู่สม่ำเสมอผู้ใหญ่ที่ไหนก็สบายใจ เป็นพ่อเป็นแม่ในครอบครัวอย่างนี้ก็สบายใจเป็นสมภารมีพระลูกวัดอย่างนี้มีสามเณรอย่างนี้มีแม่ชีอย่างนี้ก็สบายใ จ, ยย แ, ยยใจแต่ถ้าว่าลูกหลานก็ดีลูกวัดก็ดีในวงงานก็ดีลูกน้องทั้งหลายทั้งฟวงก็ดีมันคอยแต่จะทะเลาะเบาแวงแตกแยกสามัคคี ไม่ร่วมมือไม่ประสานงานไม่ปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผู้ใหญ่ผู้ปกครองนับตั้งแต่พ่อแม่หัวหน้างานไปถึงเท้าพระยามหากษัตัิย์ผู้ปกครองประเทศชาติและแม้สมภารเจ้าวัดไม่สบายใจเลย นี่เป็นอย่างนั้นอีกประการหนึ่งผู้น้อยพึงเชื่อฟังคำแนะนำสั่งสอนของผู้ใหญ่โดยชอบเป็นคนว่าง่ายไม่ดื้อไม่ดึงไม่เป็นคนว่ายากเป็นสุวาโจไม่ใช่ทุพโจบอกอะไรเชื่อมีอะไรบกพร่องบอกบอกปุ๊บแก้ไขปับ๊บไม่มีเรื่องมาก ไม่คอยพัดพรไม่คอยยกเว้นให้กับความชั่วไม่คอยแก้ตัวให้กับความไม่ถูกต้องของเราบอกอะไรแนะนำอะไรแก้โดยพลันง่ายอยู่ร่วมกันสบายผู้ใหญ่ก็เบาใจไม่งั้นหนักใจหนักแล้วพึงปฏิบัติตาม ก็ดีรับฟังก็ดีโดยเคารพในคําแนะนำสั่งสอนโดยชอบต้องยกเว้นว่าคาสั่งสอนแนะนำโดยชอบนอกจากนั้นก็พึงรับใช้อนุเคราะห์ท่านตามสมควรไอ้เรื่องรับใช้อนุเคราะห์ ดูให้ดีนะเข้าใจให้ดีผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยเขาก็ไม่ชอบผู้น้อยมาประจบมากนะแต่ว่าจะชอบพอดีพอดีคือว่าผู้น้อยมีน้ำใจกับผู้ใหญ่ เห็นอะไรพอช่วยเหลือในยามที่ท่านต้องการความช่วยเหลือเราก็ให้ท่านตามสมควรแม้กระทั่งในวงงานถ้าใครมีน้ำใจอย่างนี้กับผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาที่ดีที่เป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์แบบแหมมันกลมเกลียวกันดีน่ารักน่าใคร ในสังคมไหนๆเหมือนกันนี่พวกเราก็เป็นคนวัดก็สมทานเจ้าวัดหรือครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงพระเถระไปจนถึงพระมหาเถระท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราอย่างนั้นผู้น้อยก็อนุเคราะห์ท่านตามสมควรเหลือบชำเลืองดูอ่อท่านต้องการอะไร ก็อนุเคราะห์ท่านตามสมควรแก่โอกาสแก่กำลังสติปัญญาความสามารถอย่างนี้ก็เป็นผู้น้อยที่ดีไม่ทอดทิ้งท่านในยามที่ท่านมีความทุกข์เดือดร้อนหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วย ยิ่งท่านผู้เท่าผู้แกเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เท่าผู้แกอย่างในวงการพระศาสนาของเราอย่างนี้พระเถระผู้เท่าผู้แกช่วยชำรเรืองดูอนุเคราะห์ท่านคุณความดีเหล่านี้เนี่ยไม่ไปไหนนะตกแกเราทั้งหมดเลยตกแกเราอย่างไงเราแกมั่งคนอื่นเขาก็ดูเราเหมือนกัน เรื่องนี้บางคนอาจจะไม่เคยสังเกตนี่หลวงป่าจะบอกให้ว่าบางคนนะแม้แต่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้ประนิบบัตรวัดถากปฏิบัติให้ท่านชื่นอกชื่นใจเลยเอาแต่โตเถียงไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ท่านแก่เท่าก็ยิ่งทิ้งท่านทอดทิ้งท่านหนักก็ไป ลูกที่อยู่ใกล้ชิดอะไรทำบาปทำกรรมกับพ่อแม่ไว้เยอะบางคนนะเสร็จแล้วพอตัวเองมีลูกมันลูกมนทําอย่างนั้นกว่าจะรู้สึกสำนึกสายไปแล้วพ่อแม่ท่านสิ้นอายุไปแล้วนี่ผู้น้อยที่ไม่รู้จักคุณผู้ใหญ่นับตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอุปชาอาจารย์ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ในวงงานที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีสมบูรณ์แบบควรแก่การอนุเคราะห์แก่ท่านควรแก่การกระตันยูกระตะเวทีต่อท่านบางคนอาจจะนึกว่าในวงงานผู้ใหญ่ก็เสมือนว่าเป็นนายจ้างจ้างให้ทางานผู้น้อยก็ทำงานรับเงินค่าจ้างจบกัน ว่าทั้งสองฝ่ายต่างคิดอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็คิดว่าผู้น้อยคือลูกจ้างผู้น้อยก็คือว่าคิดว่าผู้ใหญ่เป็นนายจ้างไม่มีน้ําใจไม่มีเยื่อใยต่อกันความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันนั้นไม่ชื่นอกชื่นใจไม่ปรองดองสมานฉันกันเท่าที่ควรนแต่ถ้าผู้ใหญ่รู้จักนอนคว่ำ ดูแลสารทุกขสุขดิบผู้น้อยและผู้น้อยรู้จักนอนหงายนอนหงายคือดูผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ดังกล่าวนี้นี่เรียกว่านอนหงายคือมองดูผู้ใหญ่อย่างนี้แล้วก็สบายอกสบายใจไปด้วยกันทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ขอ้อดีที่พึงประพฤติปฏิบัติคือว่า ในโอกาสอันควรในกับบุคคลที่สมควรหรือในสถานที่ที่สมควรก็อาจจะนำคุณของผู้ใหญ่นั่นนะออกไปกล่าวไปแสดงด้วยได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นนายงานผู้บงังคับบัญชาเราอาจจะนำไปกล่าวได้แต่ต้องพิจารณา โดยสมควรว่าควรจะนำไปยกย่องสรรเสริญพอเหมาะพอดีกับโอกาสหรือกาละหรือการหรือและเทศะคือสถานที่และบุคคลด้วยบางคนกลับเอาไปพูดมากจนเกินความจริงอันนี้ก็เกินไปแทนที่เขาจะ รับฟังเชื่อถือเห็นดีเห็นงามด้วยเอาเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยกลับนึกว่ามันเกินไปไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เพียงแต่ว่าเป็นแนวทางเป็นมโนธรรมที่พึงประพฤติปฏิบัติต่อกันตามสมควรแก่เหตุแก่ผลแก่ธรรมะ พระธรรมพระวินัยและรวบยอดมาก็คือว่าด้วยมโนธรรมคือเมตตากรุณาพรหมวิหารธรรมเป็นสำคัญและก็ด้วยสารานียธรรมคือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงแห่งความสามัคคีปลองดองพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือร่วมมือประสานงานซึ่งกันและกันนี่แหละที่โบราณท่านว่าอยู่สูงให้นอนควา่าอยู่ต่ำให้นอนหงายหวังว่าเธอทั้งหลายคงเข้าใจนะนี่ก็เป็นกติธรรมซึ่งรวมเอาธรรมะหลายหมวดโดยย่อเอามารวมกัน เป็นข้อประพฤติปฏิบัติต่อกันระหว่างผู้ใหญ่และผู้น้อยที่จบไปนั้นก็เป็นสารธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในเรื่องอยู่สูงให้นอนคว่าอยู่ต่ำให้นอนหงายซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยส่วนรวม สำหรับเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปทางรายการก็จะข อ, อนำธรรมปฏิบัติเบื้องต้นของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังต่อจากนี้จึงขอเชิญท่านสาธุชนตั้งใจสมาทานศีลและเตรียมตัวนั่งในท่าคัสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้าย ที่น้าตักนิ้วชี้ด้านขวาให้จดหัวแม่มือด้านซ้ายแล้วตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มั่นคงคือไม่เผลอสติมาตั้งใจปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับเสียงของหลวงพ่อพระมหาเสริมใจที่จะให้คําแนะนําธรรมะปฏิบัติเบื้องต้นตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ประเด็ดประคุณหลวงพ่อวัดปากน้ําได้ถ่ายทอดสั่งสอนเอาไว้ โดยพร้อมเพียงกันนาบัดนี้และตั้งใจอธิษฐานถึงบุญกุศลที่เราได้เคยสร้างสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เจริญแก่กล้าขึ้นเป็นบุญเป็นบารมีอุปบารมีและประมัตบารมี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 ทั้งที่ระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบารมีทั้งหลายเหล่านั้นรวมทั้งคุณบิดามารดาพระอุปชัชฌาครูอาจารย์และคุณพระศรีรัตนตรัยขอจงมาบังเกิดในกายทวารมโนทวารจักขุทวารชิวหาทวารคานทวารโสตทวารและมโนทวาร และมารวมเป็นตบะเดชะพลวัปัจจัยในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเราทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียดประคับประคองใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้สิ้นกิเลสนิวรเครื่องกั้นปัญญาหากจะมีกิเลสนิวรใดปรากฏเกิดมีขึ้นขอให้มีสติสัมปชัญญะทั้งระลึกพระกรรมฐานได้และรู้เท่าทันกิเลสนิวรทั้งหลายเหล่านั้น รู้สึกตัวและรู้เท่าทันกิเลสนิวรณทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพึงกำจัดเสียได้ด้วยโดยพลันด้วยพระกรรมฐานขอจงมีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมขอจงได้เข้าถึงได้รู้ได้เห็นได้เป็นธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานพร้อมทั้งจารณะสิบห้าข้อปฏิบัติ15หประการที่จะยังวิชา คุณเครื่องกำจัดอวิชามูลรากฝ่ายเกิดทุกทั้งปวงให้เกิดและเจริญขึ้นพร้อมทั้งโพธิปักขีธรรมทั้งส7ประการซึ่งเป็นองค์ธรรมเครื่องช่วยให้ตรัสรู้ได้เกิดและเจริญขึ้นพร้อมกันทําหน้าที่ละคือกำจัดหรือประหาร วิชากิเลสตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบ ร, ม ส, บรมสุขอันถาวรเมื่อตั้งจิตอธิษฐานดีแล้วประการแรกที่พึงเข้าใจคือวัตถุประสงค์ในการเจริญสมถะภ า, าวนาในเบื้องต้น เพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดสิ้นไปกิเลสแปลว่าธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วในขณะใดจิตใจย่อมขุนมัวไม่ผ่องใสจึงชื่อว่ากิเลสและเมื่อจิตใจขุนมัวไม่ผ่องใสการที่จะพิจารณาเห็นอัดเห็นธรรมตามธรรมชาติที่เป็นจริง หรือจะเห็นสัจธรรมตามที่เป็นจริงนั้นเป็นไปไม่ได้จึงชื่อว่านิวรนแปลว่าอุปสรรคหรือเครื่องกั้นปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นกิเลสนิวร์ก็คือธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองเป็นอุปสรรคหรือเครื่องกั้นปัญญาและพลอยเป็นอุปสรรคของสมาธินั่นเองด้วยวิธีกำจัดกิเลสนิวรณ์นี้มีอุบายวิธีเครื่องกาจัด โดยการอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งมีอุบายวิธีอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงจนถึงขั้นฌานจิตประกอบด้วยองค์คุณหรือองค์แห่งฌานทั้งห้าคือวิตกวิจารณ์ตรึกตรองประกองนิมิตเห็นใสแจ่มอยู่อารมณ์ปีติอารมณ์สุขและเอกคตา คือมีจิตเป็นหนึ่งเดียวนี้จะเป็นคุณเครื่องกําจัดกิเลสนิวรห้าอย่างดังต่อไปนี้คือถีนมิทะความง่วงเหงาซึมเศราไม่กระปรี้กระปร่ำแห่งจิตใจหรือจิตใจหดหู่ท้อถอยนี่เป็นกิเลสนิวรตัวที่หนึ่งวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าใช่ทางหรือไม่ พยาบาทะความหงุดหงิดขัดเคืองขัดเคืองใจถึงโกรธพยาบาทอุทธจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านหรือวิตกกังวลแห่งจิตใจไปในเรื่องต่างๆนอกพระกรรมฐานกามฉันทะคือความยินดีพอใจยึด ต, ติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเมื่อ อบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตประกอบด้วยองค์แห่งฌานทั้งห้าคือวิตกวิจารณปีติสุขเอกาตาแล้วจะเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรเครื่องกันปัญญาทั้งห้านี้ให้หมดสิ้นไปได้อุบายวิธีอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่ง จ น, จนถึงขั้นฌานจิตเกิดองคุณหรือองค์แห่งฌานคุณเครื่องกำจัด ก, กิเลสนิวรเครื่องกั้นปัญญาให้หมดสิ้นไปนี้ชื่อว่าสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานสมถะแปลว่าสงบระงับคือสงบระงับจากกิเลสนิวรสมถะจะมีคำต่อท้ายว่าภาวนาหรือกรรมฐานภาวนาแปลว่าทำให้เกิดหรือเจริญขึ้น กรรมฐานแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งกิจการงานทางใจเพราะฉะนั้นคำว่าสมถะภาวนาหรือกรรมฐานก็หมายถึงอุบายวิธีอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงจนถึงขั้นฌานจิตประกอบด้วยองคุณหรือองค์แห่งฌานคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวนเครื่องกั้นปัญญาให้หมดไป จิตใจผ่องใสควรแก่งานนั้นชื่อว่าสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานที่เป็นบาดฐานให้เจริญวิปัสนาภาวนาหรือกรรมฐานอบรมปัญญาให้บริสุทธิ์ด้วยการที่ได้ทั้งเห็นแจ้งและรู้แจ้งในสภาวะของธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าสังขาร ไปจนถึงสัจธรรมทั้งสและเห็นแจ้งถึงวิสังขารคือพระนิพพานตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นนี้เป็นขั้นตอนของการเจริญภาวนาเมื่อท่านทราบอย่างนี้แล้วต่อแต่นี้ไปมาตั้งใจเจริญสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานในเบื้องต้นเพื่อเข้าถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรม ซึ่งจะช่วยให้สามารถพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมท้งนาภายนอกและภายในตามที่เป็นจริงสืบต่อไปเมื่อใจสงบดีแล้วทุกท่าน ตั้งกิจอธิษฐานน้อมเอาบุญกุศลของเราถวายบูชาแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าองค์ตนทาต้นธรรมทุกทุกพระองค์บุรพาจารย์ทุกท่านอุทิศบุญกุศลให้แก่คุณมารดาบิดาคุณครูพระอุปชาอาจาร ย, าย์ญาติมิตรและสมพันธชน ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านสรรพสัพตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณเจ้ากรรมนายเวรจงได้รับกุศลผลบุญโดยทั่วหน้ากันขอให้สรรพสัตทั้งหลายรวมทั้งตัวเราด้วยจงละความชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจชำระกิจใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสนิวร์เครื่องครั้นปัญญา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 ที่ท่านสาธุชนได้ปฏิบัติเสร็จลงไปแล้วนั้นก็เป็นการปฏิบัติเบื้องต้นตามแนวทางวิชาธรรมากายของพระพุทธเจ้าถ้าท่านใดสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติต่ำเพิ่มเติมก็ขอเชิญเข้ามาศึกษาได้ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามตั้งอยู่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีอยู่ริมถนนสายบางแพดําเนินสะดวกตรงหลักกิโลเมตรที่14